ซีดีธรรมบัญญายจุดฟันทีไรได้สุดทีโดยพระพรหมกุณาภรณ์อบิลโตวัฒน ว, วิเศษกรนตำบลบางระทึกอำเภอสามราษฎร์จังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอนตอนที่1นึ่งบัญญัติวันที่3กันยายนพุทธศักราชสองพัดผู้เรื่อการพัฒนาความสุขแล่ว่าถ้พูดเปถึงวิชาการสักหน่อยแล้วพูดไปถึงวิชาการก็อาจจะน่าดูสดิบกระทนฟัง ทนฟังเว่าการทนฟังเรื่วิชาการนี่จะเป็นประโยชน์ในแง่ว่าเอาเป็นเรื้อหาสาระมากๆหน่อยเรื่องการพัฒนาความสุขก็แสดงว่าความสุขมีพัฒนาได้ก็จริงเป็นเรื่องที่พัฒนาได้เพราะว่าความสุขน like like so mm ี hmm. ้เมื oh. no, exactly. so ago, ่อเกิด mm. ข so right ึ้นอย่างถูกต right. ้องแล้วจะเป็นคุณสมบัติในใจของคนทีนี้เราพัฒนาคนได้เมื่อพัฒนาคนได้ความสุขที่เป็นคุณสมบัติในใจของคนนี่ก็จะพัฒนาได้ด้วยก็ทําให้เรามีความว่าความสุขเป็นสิ่งที่เพิ่มได้ทําให้มีขอบเขตป้างผาบควายหรือจะเรียกว่าลึกซึ้งขึ้นไปก็แล้วแต่นะััหนนนนนึ่่่่งงแอีีก้าาาาาพฒคววมสสุขจเเป็ทต พัฒนาไปแล้วนี่มันจะทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นด้วยคือชีวิตของตัวเรามีเช่นว่มีคุณธรรมความดีอะไรต่างๆเพิ่มซึ่งบางทีคนทั่วไปาจจะมองไม่เห็นไว้เรื่องความสุขนี่มันจะมาสัมพันธ์กับความดีได้ยังไงเนี่บางทีเรามองว่าความสุขนี่มันต้องตรงข้ามกับความดีเขาหาความสุขนี่มันต้องทำให้ทาอะไระที่อาจจะเห็นแต่ตัวไเห็นแต่ตัวมันกไม่ดีทำไมความสุขเพิ่มทำไมมันจะคุณธรรมเพิ่มด้วยนี่ก็เป็นแงคิดอันนึ่งทีนี้ความสุขที่เพิ่มนั้นไม่ใช่หมายถึงว นั่นี้ก็นน่าแปลกอีกแหละเพราะว่าถ้าความสุขนั้นเราแสวงหาให้เกิดตัวเองด้วยความเ็กตัวมันก็ต้องเบียดบียนกันเพิ่มขึ้นแต่ น, นีบอกว่าเมื่อพัฒนาความสุขไปตับตายเป็นว่าเป็นการที่ทำให้โลกมีสันติสุขยิ่งขึ้นเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ก็ตอบง่ายๆว่าเป็นไปได้เพราะว่าเราสามารถพัฒนามันได้นั่นเองมันเกิดกลายเป็นสิ่งที่แทนที่จะต้องแย่งต้งิงเบียดเบียนกันแล้วก็แทนที่จะเป็นการเห็นแตัวตรอกับตายเป็นเรื่องดีขึ้นได้อันนี้ตาเป็นข้อสังเกตไปต่อแล้วดูว แตาที่จะพัฒนาควสุขก็เปันเร่อที่ต้องกวาด้วยเราต้องมีความรู้เข้าใจมันรู้จักทุกรู้จักซุปอย่างน้อยก็รู้จักว่าเราควรจะวางท่าทีอย่างไรตอมันซึ่งเป็นเรื่องสำคัเมือกิดสุปทุกนี้เราควรมีท่าทีอย่างไรเริ่มด้ทุกซะ ก, ก่อนเลยทุกนีมันมาอย่างไเดิมมันก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติคือความเป็นไปในสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราทั้งหมดรวมทั้งตัวเราเองด้วยชีวิตและโลกทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติอันนี้แน่นอนทุกคนยอมรับแล อาการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปแล้วมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราเรียกาความเปลี่ยนแปลงและการที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันคือเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุเกิดขึ้นก็ทาให้เกิดผลขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็เปลยนจากเหตุไปสู่ผลนั้นระนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดงเป็นแนเดียวกันเป็นหมดคือเรื่องความไม่เที่ยงก็มีาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่คือหลักวิทยาศาสตร์นามที่สาคัญเราเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอน ต่ตนที่ยืนตัวแน่นอนอยู่ถือว่าปรากฏรูปร่างขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทำให้มันปรากฏรูปเป็นอย่างไรเราก็มองเห็นมันในลักษณะอย่างนั้นเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายนี่มองเห็นตามเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังมันถาเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปรูปร่างที่ปรากฏก็เปลี่ยนไปด้วยอันนี้เรียกว่ากฎธรรมชาติทีนี้กฎธรรมชาตินี้ที่เด่นชัดก็เด่นที่ว่าก็ความเปลี่ยนแปลงกันเองซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆนี้เป็นเรื่องที่ต้องสื่อ มันก็เกิดผลขึ้นมาซ้อนสชั้นคือว่อชีวิตร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยร่างกายของเราเกิดมาเราก็จริเติบโตแล้ ว, วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากดเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป่นเท่าชาลาหรือแม้แต่ว่าส่วนประกอบ ย, ย, อย่อยๆในชีวิตร่างกายของเราผมทองเราเดี๋ยวตัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะหงอกยาวขึ้นไยาวขึ้นมาแล้วเราต้องตัดอีกอะไรเงี้ยนะนี่นก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงนี่ก็ส่วนหนึ่งแลในด้านสภาพที่กฏตัวชีวิตร่างกายของเราก็เป็นตามกฎธรรมชาตินี้แต่ที่หนักหือเข้าไปกับนักคือเพราะมันเปลี่ยน ไอ้ที่เราชอบใจเรากอยากให้คงอยู่แต่มันไม่ยอมคงอยู่มันเป็นแปลงกนนกฎธรรมชาติมันก็อืนความปรากธนาของเราพอาะมันฝืนความปรากธนาของเราเราไม่ชอบใจเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นะแต่เรียกว่าเราอยากให้ไปอีกอย่างหนึ่งนะเปลี่ยนปทางหนึ่งเราอยาให้เปลี่ยนเหมือนกันนะของเราไม่ใช่อยากให้อยู่ในนิ่งตายตัวหรอกเราไมอยากให้เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นอยากให้เปลี่ยนแปลงไปแบบหนึ่งเสร็จแล้วมันไปสูอีกทางหนึ่งก็ฝืนความปรากธนาอีกดังนั้นเราก็เกิดสิ่งที่างเรียีวิต่าทุกขรา ทั้งโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็คือว่าชีวิตร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติเพราะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ <S <S โดยอ้อมก็คือว่ามันมีผลต่อจิตใจของเราที่ว่ามันไม่ตรงใจที่เราชอบเรามีความปรารถนาอย่างหนึ่งหไปสักอย่างหนึ่งแต่รวมความก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นความชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์ในใจของเราเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกฎธรรมชาติการที่สิ่งนี้ปหนไปตามกฎธรรมชาตินี่แหละมันเลยกลับมามีผลต่อจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจสองชั้นว่าคามจริงแล้วไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยก็คือ และจแล้วขั้นที่สก็คือมันมามีผลต่อชีวิตจิตใจของเราเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ภายใต้การครอบงาของกฎธรรมชาตินี้แล้วตอนเรามีจิตใจที่มีความปรารถนาซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับคาเป็นไปในกฎธรรมชาติตอนที่ทํานปางเขาใจเรื่องนี้ก่อนว่าทุของเราที่มาเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็สืบเรื่องมาจากกฎธรรมชาติก่อนแล้วก็มามีผลต่อชีวิตจิตใจของเราอีกทีหนึ่งดังนั้นเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะต้องเข้าใจหลักความจริงนี้ตอนแรกพระพุทธเจ้าจะให้เข้าใจอย่างน้อยรู้ถันเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องความจริงทททททีีีี่่่่่่มมมมออออยตตาาาาาธรรนนนั้เเลลกกกงงงงวววืืคปปแชิ แล้วสองมีผลต่อชีวิตจิตใจของเราในฐานะหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและมีความปรารถนาแล้วก็อาจจะไม่ได้อย่างใจต้องการนี่เราก็ต้องรู้จักมันรู้เท่าทันแล้วเราก็พอรู้เท่าทันแล้วเราจะแก้ไขได้นีอะไรที่ไม่รู้นี่เราแก้ไขจัดการไม่ได้สิ่งที่เราแก้ไขจัดการได้ก็ถือสิ่งที่เรารู้ยิ่งรู้เท่าไรก็ยิ่งมีความสามารถในการจัดการแก้ไขได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรากวจใจไปเลยถัาทีวิธีปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์เลยเป็นเรื่องแรกเลยว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันหน้าที่ของเราต่อท เราก็ธรรมชาติต่อชื่อกันที่จุดนี้ที่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้ตามที่ต้องการหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อนี้เพื่อรู้นะเท่านั้นนั้นไม่ใช่เพืเป็นทุกนะถ้าใครไเกี่ยวข้องกับทุกโดยเป็นทุกคนนั้นปฏิบัติิเนะงนั้นพระเจาปัญญาปะตาศไปบอกว่าทุกขังปริญญาอย่างเพราะทุกนั้นเป็นสิ่งสาหรับรู้เนเป็นสิ่งที่จะถึงรู้เท่าทันสัพท้เขเรียกว่าปริญญาอย่างนั้นมาได้คาว่าปริญญาปริญญาแปลว่ารู้เท่าทันนีคือรู้ตามที่มันเป ถ้าหากว่ามองตามความหมายของข้าแล้วปัญญานี่ก็ถือว่าความรู้ตออ่อทุกข์นี่เพราะฉะนั้นที่เรียนวัจบปิญญานี่ต้องรู้ทุกข <laughs> ์ถ้าไม่รู้เท่าทันทุกแสดงว่ายังไม่ได้ปญญาเ <laughs> น, นเพราะว่าปัญญาเป็นคำที่ท่านให้ไปเลยว่าเป็นหน้าที่ตออ่อ ท, ทุกข์รู้เท่าทันทุกข์คือรู้เท่าทันความจริงที่มีตามธรรมชาติที่มันโยงมหาชีวิตของเราแต่ที่จริงก็ถูกนะถ้าใรรู้ขนาด น, นี้เราก็เก่งแล้วนเ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ทาความเข้าใจกันว่าทุกข์เป็นสิ่งสาหรับรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งสาหร เรามีนาที่แค่รู้ทุกข์ท่นั้นรู้ทันมันเพื่อจะได้ตัดใกับมันได้เอาแล้วนั้นหนึ่งเรื่ในเรื่องทุกข์ทีนี้ก็จะมีวิธีปฏิบัติทุกขไปต่อทุกข์และสุขของทุติยดาตัดไว้เป็นสี่นะลองฟังมาให้ดีมีสี่ข้อทุติยดาบอกว่า 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ถ้าเรายังไม่มีทุกข์ก็อย่าไปเอาทุกข์มาทับถมตนเออนี่ก็เราฟังกันนะในวิธีปฏิบัติต่อเรื่องทุกข์ละสุขตานคนเนี่ยเอาทุกข์มา และสามแม้ในสุดที่ชอบทนั้นก็ไม่หลงติดเลเไม่มมุ่นไม่มมุ่นหลงเทิในความสุขแม้ที่ชอบทนั้นนะอันนี้ขคัญต่อไปนะ้าหน้าไปเรื่อยๆที่ี่ว่าปฏิบัติพัฒนาตนเท้าถึงความสุขที่หนี่ดีขึ้นไปหมายความว่ายังนี้ความสุขที่ตระนี้ดีนี้ไม่ใช่แคเท่านี้นั้นอย่าหยุดแค่นี้ต้องเท่าถึงความสุขที่รนดีขึ้นไปนี่แหละคือการที่ว่าพัฒนาความสุขใช่ไหยไม่ใช่มายามความสุขไม่เท่านี้เรารู้จักยังไงเราไม่บอกเออมีเรามีความสุ เพวธาตุสุดในพระเจ้ปีโดเล่น14เนี่ยเอาละต่อมาก็ให้หลักการเบื้องต้นแล้ว4ข้อวิธีปฏิบัติต่อทุกกระสุทีนี้ก็มาดูประดานลำดับเนี่ยนะว่าสาระของเรื่องความสุขในการมีที4อย่างเราต้องพัฒนาตัวให้ได้ความสุขที่ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้จะมาดูว่ามันมีความสุขอะไรกันที่จะพัฒนากันได้ก็จะขอแบ่งความสุขเป็น4ก็ขอายเป็น5ระดับความสุขที่มนุษย์เราจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เนี่ยองค์เจ้าวางคางตรัสไว้แล้วพระาดเจ้เอาถือาอาจารย์มันทน่บ ความสุขระดับที่หนึ่งคือความสุขประเภทที่คนส่วนมากรุ้จักคนส่วนมากจะรู้จักความสุขประเภทที่ผิวเผินหยับๆมันเป็นของผิวเผินหยาบๆก็มักจะเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องวัตถุในเรื่อวัตถุก็คือสิ่งที่เราบริโภคสิ่งที่เราเสกที่เข้ามา่างๆาคือจมูกลิ้นกแล้วก็เข้าไปในใจอีกต่อหนึ่งก็เรื่องทตาดูหูฟังนั่นเองตาเห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมและลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยตาได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลชวนชื่ สิ่งเวัถนี้เรียกว่าอาิธความสุขที่เกิดจากอาิสิ่งของเศษนี้ท่านเรียกว่าสามิสสุขความสุขที่อาศัยอาิอาศัยวัตถุอาศัยเหยื่อต้องมีเหยื่อหรือเมื่อตาไปกินเหยื่อเรือว่าบางทีท่านก็เรียกกามาสุขเกิดจาตามตามนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่มาวนเปลือยหรือบำรุงรวมไปถาหูจมูกลิ้นไตของเราเนี่ยท่านเรียกว่าตามท่านั้นเป็นความหมายที่กว้างไม่เหมือนกับภาษาไทยตามนี้แม้แต่ว่ารูปภาพหรือว่าเสียงไพเราะอะไรต่างๆที่ถือว่าเป็นตามเท่านั้นเอาละ เรารับรู้สื่อสารแล้วเราก็ได้รับรถของโลกไปด้วยก็คือว่าสิ่งที่เข้ามาในตาผูจมวกลิ้นนั้นเรารับรู้เข้ามาเราก็ได้ความรู้สึกด้วยรรับรับความ ร, ารู้สึกที่มันสบายมันก็มีความสุขเราก็ติดใจแล้วก็ชอบแล้วก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเสดได้ความสุขของมนุษย์ก็เกิดจากการได้วัตถุมาเนี้ยมาบำรุงบำรุงตาหูจมูกลิ้นไตของเราเนี่ยทีนี้พอไปไปนี่เราก็อมองถึงความสุขที่เกิดจากด้านเหล่านี้ทีนี้ความสุขการนี้จะเกิดได้ต้องมีวัตถุมาเสดแต่ที่สิ่งเหล่านี้มันอา กา้ไปหาวัตถุสิ่งเสพเหล่านี้หาเพื่อให้ได้มาการได้จะมีความหมายถึงการมีความสุขเพราะว่าเมื่อได้ก็จะได้เสพจะได้บริโภคนั้นมนุษย์เม่อดูในโลกไปนี้ทา่าทีเขาจิตใจจะแบบมุ่งไปในการที่จะได้นในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเรามาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราหาความสุขแบบนี้ต่อมาเราจะมีท่าทีของจิตใจที่ฝังลึกลงไปว่าต้องได้เราก็มุ่งในการที่จะได้จะเอาแสวงหาเอาให้ได้มาการได้มาได้มาหมายถึงความสุขเนี่ยถ้าตรงข้ามตรงข้ามก็คือสละเสียไปเสียไปก็เป็นทุกข์ นี่ก็เรื่องของคนก็เลยอยู่กับเรื่องของวัตถุนี่คือความสุขประเภทแรกของคนจนมนมากทีนี้ก็มีคำถามว่าเอาแล้วความสุขประเภทนี้มันดีนะแล้วเราจะต้องพัฒนาบิตรเลยถ้าว่าเราจะพัฒนาไปก็หมายความว่าไอ้ความสุขอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์คงต้องมีโทษมีข้อบกพร่องก็ต้องมาพิจารณากับที่ความสุขประเภทนี้ที่ที่ว่ามันความสุขจการได้สิ่งเสพจากวัตถุจากอามิธอันนี้มีข้อบร่องมีข้อเสียอย่างไรถ้ามีข้อเสียหายไม่มีข้อบกพร่องเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาใช ก็ลองมาดูกันว่าความสุขจากอาวิธจากสิ่งเสพอยู่รอบวัตถุนเนี่ยมีข้อเสียข้อบกพร่องหรือมีโทษอย่างไรอันที่1นนะึเราพอจะเห็นได้ก็ถือว่าเมื่อเราหาความสุขชนิดนี้ไปบอกได้ ว, ว่าสิ่งเสพหรือวัตถุนี้อยู่ข้างนอกตัวเราว่าอยู่นอกตัวเรานี่มันไม่เป็นอิสระจากตัวหมายความว่าความสุขพวกเรานี้ต้องขึ้นประมาณนีเนะมืเราหาไปหาไปนี่ไปไปมานี่ชีวิตและความสุขของเรานี้ฝากไว้กับวัตถุภายนอกนะเราลองมองดูเราไม่สามารถเป็นสุขิด้ตนเองและถ้าเราไม่รู้ทันนะต่อไปนี่เราจะมีลักษณะที่เป็นคนมีปีศาจ นอกจากมีสติรู้ตัวนี่แหละตอนนี้ที่หลวงพ่จะเจ้าจะสอนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นั่นถ้ามันมีโทษเราต้องรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดโทษน้อยที่สุดอย่างน้อยแม้แต่ไม่พัฒนาไปสู่ความสุสูงขึ้นไปเคปฏิบัติต่อความสุขระดับนี้ให้ถูกต้องมันมีโทษมันต้องมีโทษน้อยนั้นอย่างน้อยก็คือรู้จักปฏิบัติต่อมันให้มีโทษต่อเราได้น้อยนี่ปัญหาข้อที่หนก็คือว่าเพราะว่าความสุขนี้ไม่ได้อยู่ในตัวขึ้นต่อวัตถุขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกเพราะฉะนั้นเราก ่อมาเรา้องเ่มวัตถุที่จะเอามาเสพมาบริโภอยาที่เคยเปรียบเทียบบ่อยๆว่าคนรานี่แต่ก่อนเนี่ยเราก็เกิดมาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีวัตถุอะไรเสพมากมายเราก็อยู่ง่ายๆเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุขได้วัตถุมเสพกตายจมูนิ่งตายเราก็มีความสุขพอสมควรต่อมาปรากฏว่าเราต้องได้วัตถุเหล่านั้นมากขึ้นพอเราได้วัตถุเหล่านั้นสิ่งเสพมากขึ้นีสิ่งเสพของเดิมที่เคยมีทําเต่าไม่สามารถทาให้มีความสุขได้แะยังคนที่เคยมีเงินที่ว่าแต่ก่อนนี้เป็นคนแพ้นไม่ค่อยมีเงินทองใช ต่อมาตั้งควาหวังว่าถ้าเราได้วันละพันบาทเราจะมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้ต่อมาก็ปรากฏว่าก็ได้จริงได้เงินน้อยใช้วันละพันบาทพอได้วันละพันบาทตอนแรกนี่มีความสุขอย่างยิ่งเลยมีความสุขเรียกว่าสมหวังได้บรรลุความฝันของตวเองนี้ต่อมาได้วันละพันก็ขินเป็นธรรมดาไอพันบาทนี่ต่อมาไม่ค่อยให้ความสุขเลยเฉยๆตอนนี้จะตั้งความหวังว่าต้องให้ได้หมื่นบาทนี่ต่อมาก็เก่งหาได้ถึงวันละหมื่นบาทพอหาได้วันละหมื่นบาทตอนนี้ก็สุขอีกว่าเราก็ได้สมความหวังแต่นี้ถ้ามองกลับไปว่าถ้าสมมติเราตอนที่ได้ ถ้าวันไหนนะเกิดได้พันบาทในขณะที่ตัวเองจะสามาได้วันละหมื่นบาทลนะวันไหนได้วันละพันบาทท่านท่านที่พับาทอันเนี้ยเคยทาให้ตัวเนียมีความสุขสุดยอดเลยสมหวังเต็มที่ลยนแต่ตอนนี้ได้พันบาทกลายเป็นความทุกข์ใช่ไหมพันบาทที่เคยทาให้สุขอย่างเหลือรนั้นตอนนี้กลายเป็นทุกข์ไปเลยคนที่ได้หมื่นบาทมาได้วัน 10, ลพันนีวันนั้นทุกมากนะแล้อย่างนี้กระบวนการมันก็ต่อไปเขาเรียกว่ากระบวนการบินไลน์หาความสุขพอได้หมื่นบาทก็หวังว่าจะได้แสนในพอได้แสนได้หมื่นกลายเป็นทุกข์อีกแล้วนั่นก็เลยต้องเพิ คือความสุขต้องไปขึ้นต่อวัตถุหรืสิ่งเสพเหล่านั้นไม่สามารถมีความสุขได้ในตนเองแล้วไอ้พวกวัตถุสิ่งเสพนมันมีปัญหาหลายอย่างเช่นว่าความชินชาความเบื่อหน่ายเคยหวังจะได้ความสุขพอได้จริงก็มีความสุขตอนนั้นแต่พอผ่านไปตอมาชินชาสักบุ่พราะเบืออเบ่อนี่ถ้าหนีไม่ได้ถ้าตัวหนีไม่ได้นะามีทุกข์เลยใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นภาวะในโลกม น, นุษย์ด้วยสิ่งบางทีให้สิ่งที่เบื่อนี่มันจำเป็นต้องอยู่พอจำเป็นต้องอยู่ก็กลายเป็นทุกข์เลยปัญหาของสิ่งเสพเหล่านี้มีม ก็ทุกคนก็มองว่าตัวเองต้องได้มากที่สุดปีที่สุดที่สุดก็ต้องหาให้เยอะที่สุดเมื่อทางคนตลางฝากความสุขไว้กับการได้ว่าถุมันเสพแล้วต้องเอาให้ได้มากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันคือหาให้มากที่สุดก็ต้องแย่งกันถาพยากรธรรมชาติมีจากัดสิ่งที่มีอยู่ในสังคมนี้ก็มีจำนวนปริมาณจากัดก็ต้องแย่งชิงกันพอแย่งชิงกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปียยเแปลงกันก็เกิดความทุกข์ในทางสังคมก็คือว่าคนที่มีกาลังมากมีโอกาสมากมีความสามารถมากก็หาได้มากคนที่ไม่มีกำลังไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถ ก็ต้องหวดระแวงเพราะคนนั้นก็จะหาทางที่จะได้เหมือนกันนะนีเพราะัหาดีไม่ได้ก็ต้องหาทางไร้ตัวเองเียดเียนเขาเขาจัดเบียดเบียนตัวเองว่างอะไรันตนนี้เกิดการแย่งชิงมีความหวาดระ แ, งแวงก็มันก็ไม่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่เป็นะปความสุขท่ากลางความทุกข์คือความสุขที่อาจจะเกิดจากความทุกข์แก่ผู้อื่นหรือความสุขที่ตั้งอยู่บนทักข์ของผูกอื่นบ้างหรือความสุขที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงในใจของตัวเองบ้างเนะี่เไม่สุขจริงก็เป็นปัญหาดัง ก็นี่ก็เรื่องของปัญหาข้อบกพร่องจุดอ่อนของความสุขที่เกิดจากการสร้าหาอามิดขึ้นแต่วัตถุกนตอการได้เพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้ยังไม่สมบูรณ์เราควรจะพัฒนาไปหาความสุขที่ดีดีขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความมันจาเป็นจะต้องละอันนี้เพื่ไปหาอื่นแต่อย่างน้อยให้มีความสุขประเภทอื่นมาเติมให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์ทีขึ้นไม่ใช่มีความสุขแค่ประเภทเดียวความสุขจากการเสพวัตถุนี่มันจะสูบเฉพาะตอนเสพแล้วระหว่างนั้นก็อยู่ในความรอหรือความตะโกนตะวันแล้วก็มีความส ความสุขนี้เราก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพียงแค่รู้เท่าทันเท่านั้นเราก็วางใจให้ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังนะอย่าให้ความสุขของเรานี้ต้องไปขึ้นต่อวันทั้งหมดนีจนกระทั่งสูญเสียอิสรภาพเพราะบางคนนี้ที่เป็ตัวเองนี่เก็งเรานี่เก่งโอ้โหเราหาวัตถุเสร็จได้มากได้มากเก่งแตใครบางทีก็มาดูถูกกันในหมู่มนุษย์แต่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยไายชีวิตนี้สูญเสียอิสรภาพความสุขไม่มีในตัวเองก็ขึ้นแต่ว่าถูกภายนอกไปหมดไม่มีจริงแล้วน่าจะเสียแล้ว ถ้าต่างคนต่งหาความสุขแบบนี้กันท่าเดียวนะแล้วถ้าคนเอาให้ได้มากที่สุดเนี่ยต้องโลกต้องรูปเป็นฝฟสังคมนี้อยู่ไม่ได้เลยนะแล้วทั้งสองฝ่ายคนที่หาเองก็ไม่ใช่มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้อยู่ในความบวาดระแวงแล้วลทำไงจะให้มนุษย์พออยู่กันได้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยพอมีเศษพอจะหาความสุขได้อย่างน้อยก็พอสักคนให้ก็วางหลักปฏิบัติในทางสังคมข้อปฏิบัติอันนี้เป็นกรอบสาหรับให้คนเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่ว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันหาความสูงไปหาความสูงจะชิง สก็หาไปแต่ว่าอยาให้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นนะเขาไดได้มีโอกาสมีความสุขขอได้บ้างนะอ้าวต่อไป3ก็ละเมิดอย่าละเมิดคู่ครอกันนะลแล้วก็ก็อย่าทำลายผลประโยชน์กั้อยคำหลอกลวงนะหลอกลวงคนเราหลอกลวงทำลายผลประโยชน์ยย ก, กนยล ง, ลงยกิงผลประโยชน์นการหลอกลวงเยอะแล้วก็ขก็อย่าสร้างความรู้สึกไม่มันปลอดภัยแก่ผู้อื่นในการที่ทำลายสติสมัมปชัญญะตัวนี้ในการเสพสิ่งเสพติดพเราเสพเสพสิ่งเสพติดเช่นสุราเมาขึ้นแล้วนี่ก็จะคุกคามต่อความมั่นคง ไม่รู้คนอไม่รู้ว่าคนนี้จะมาท่าไหนแหละเนีเสียความรู้สึกมั่ของปลอดภัยหรือว่าขับรถมาคนนั้นกินเหล้ามานี่รถันอื่นก็เสียความรู้สึกมั่งปลอดภัยทุกทรมาทีหรือเวลานี้มีการกินยามากใช่พอเสพยามากเดี๋ยวนี้สังคมสูญเสียความรู้สึกมังปลอดภัยไปเยอะเลยนะแล้วขับรถไปตามถนนนี่ก็วาดระแวงนยไม่มั่นใจว่าไอ้รถสิบรถคันนี้กินยามาหรือเปล่าเลยเพราะนั้นการเสพยาสตินี่ทำลายทุกขราความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของกลุ่มสังคมเพราะนั้ พอจะให้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปอย่างที่ว่าพอจะให้ไม่รุนแรงไปก็อยู่กันไปได้แต่ไม่ได้าาพามาคุณจะมีความสุขจริงนะไม่ได้เปหลักประกันสิน5้าเที่ว่าเอาไปกรอบไว้สำหรับคนที่อยู่ในขั้นหาความสุขจากการเสรียามว่าให้พออยู่กันได้ น, นี่นั่นน่าข้อปฏิบัติในทางสังคมทีนี้สองในตัวเอ ง, ต, เองตัวเองที่ต้องระวังคือพยายามอย่ายให้สูญเสียอิสระภาพการที่จะทาให้ไม่สูญเสียอิสระภาพถ้าเอาความสุขชีวิตไปขึ้นแต่ว่าถูกทั้งหมดจนกรทั่งว่าขาดว่าถูกไม่ได้แล้วทุรน้ร ให้ไม่ขึ้นแต่สิ่งเสบ้างเกิดไปคือ ท, ทำอยงไอย่างที่บอ ก, กีแลนคม น, นี่ยิ่งหาว่าถูกเศษเนี่ยมันลืมตัวพอไมากขึ้นก็ต้องมีมากถ้ามีมากเท่านี้เคยีเท่านี้จึงจะมีความสุขเกิดาไป น, นิดเดียวแลวทุรนทุรายเลยนะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าว่าไม่นึกเลยว่าแต่ก่อนที่เราไม่มีสิ่งนี้ทไมเราอยู่ได้ใช่ไหมอตอนนี้มีสิ่งอันนี้ขึ้นมาแล้วขาด น, นิดเดียวอยู่ไม่ได้ลทุรนทุรายเป็นความทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมัน เ, เป็นเพราะว่าเรานิาา ส, าา ส, าาาสูร เมื่อเป็เด็กเป็นเล็กเราก็มีความสามารถที่จะมีความสุขได้พอสมควรเด็กเล็กไม่ต้องมีวัตถุสมบัติเสียไปมากนี่นะเดี๋ยวก็อรอดชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้โตขึ้นมาเอ้หนอ่อยก็มีวัตถุางมาจเสร็จบางทีเราไม่มีความสุขแทบขาดปุรนทุรายมีความทุกข์นี่แสดงว่าคจะปฏิบัติผิดดำเนินชีวิตติดพลาดความสุขที่ได้มาจากวัตถุนั้นกลายเป็นพิษกับตัวเองไปด้วยเาะนั้นจะต้องรักษาอิสรภาพนิไว้แล้วก็รักษาความสามารถที่จะมีความสุขในความสามารถที่จะมีความสุขถ้าสูญเส ทีนี้ า, าว่าสามารถรักษาไม่ขอภัยรักษาความสามารถาที่จะมีความสุขไว้ได้และพัฒนามันขึ้นมาจะเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นเนนี้เราอยู่ในโลกมันในเราโตขึ้นมดเนี่ยนะเราล่างกาชีวิตจเริ่ เ, เติบโตเรามีการสื่อาเล่าเรียนเนี่ยเราพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยเราได้พัฒนาความสามารถอันนี้ไหมคือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขหรือเราหลับสูญเสียไปเนะีถ้าเราสูญเสียไปแสดงว่าชีวิตของเราไี้เสียดุดแล้วเราก็ตรวจสอบได้ง่ายดูที่ดูว่าตัวเราเนี่ยอยู่มาอยู่มาโตขึ้นเนี่ยเราเป็นคนที่สุขยากขึ้นหรือสุขงัวเดูแ่าคนยสส่่นนนจะเป็คทีุข้ยขึนะ แทนที่จะเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นโตขึ้นมาโตขึ้นมายิ่งสุขยากขึ้นทุกทีเลยนะนั่นแสดงว่าต้องมีสติเตือนตัวเองและแสดงว่าเรานีเริ่มสูเสียความสามารถที่จะมีความสุขถ้าให้ถูกแล้วเรายิ่งโต้เราต้องสุบงากขึ้นพอเราคนสุขง่ายขึ้นเราก็สบายเราได้สิ่งเสมากขึ้นเราก็ยิ่งสุขเูใช่มแต่ถ้าเราสูเสียความสามารถที่จะมีความสุขมันจะเป็นยงไก็ตรงข้ามก็คือว่าได้มามากเท่จริงแต่สูบเท่าเดิมได้มามากขึ้นก็กลายเป็นสูบเท่าระดับเก่า เราจะเน้นไปในแง่ของการพัฒนาความสามารถที well, ่จะหาสิ <ities> so ่งบำรุงความสุขพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสริมบำรุงความสุขแต่ไม่ได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจริงไหมแม้แต่การศึกษาก็จะมีความหมายทางนี้การศึกษานี่ถ้ามองในแง่ความสุขก็จะกลายเป็นว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะหาวัตถุมาบำรุงความสุขที่นี่เป็นอย่างยุ่งแล้วก็เก่งจริงๆเก่งในการหาวัตถุเสริมบำรุความสุขแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือความสามารถที่จะมีความสุขรูปสัตว์ปัญญาที่จริงมีความสุขนั้นไม่ได้พัฒนาและสูญเสียไปซะ คือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสริเมความสุขด้วยเพราะกานั้นก็พัฒนาวาสามารถที่จะมีความสุขด้วยถ้าได้ทั้องอย่างอย่างนี้แล้วไม่มีปัญหา <Yeah. S 1> นั่นที่ได้วัตถุม า, มากก็ดีสุมากไม่ใช่กลาเป็นคนที่ว่าได้วัตถุมากสุดเท่าด <Yeah. S 1> แล้วก็ดีวัตถุปริมาณวัตถุนี้จะเพิ่มเรื่อยไป <Yeah. S 1> ในวิถีการเริ่มต้นในการที่จะสสภาพเอาทำไงล่ะ <Yeah. S 1> ก็คือว่าอยากให้ชีวิตขึ้นวัตถุมากนะแล้วจริงเมื่อกี้บอกว่าพระพุทธเจ้าเขาเพิ่มสีรรมาให้อีกสามข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่สามมา อะไรวิการพนาเวชการบริโภคอาหารในเวลาวิการนะก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับรเียนเนใครเราเนไม่เปนก็ไม่เกี่ยวอ่าแกักจิตาวาที่ตวิสุทธนนาเวชการเรากการพราะลขับร้องประคดนตรีการดูการละเล่นสิ่งบันเทิงการประดับตกแต่งร่างกายอ ต, าต่ององตง า, า, างๆ น, น, นีก็เป็นเรื่องส่ว น, น, น, 8, น, นตัวนี่ใช่ไถึงเราจะประดับเราจะดูไม่ได้เียเนใครแล้วก็้จากที่นั่งที่นอนอันดูหลาุ่มเฟือยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันเน้นซีบแปดเพิ่มขึ้นมาเปไนเรื่องส่วนตัว 8วันให้เรารับสาสุขภาพหรือตือตัวเองไว้ครั้งหนึ่งให้เราปฏิบัติโดยที่มีวัตถุน้อยขึ้นแต่วัตถุน้อยที่สุดก็ถ้าจงเรียกว่าอุโบสถศีลศีลอุโบสถนี่มันได้รับรองให้ราปฏิบัติทุกวันนะปฏิบัติ8วันครั้งหนึ่งใครจะมีความเพลินถ้าบอกว่าให้เพิ่มเป็นวันโกมัะก็ได้ก็กลายเป็นว่าเดือนละเท่าไหร่จากเดือนละสีครั้งก็เป็นเดือนละแครั้งแปดวันในสามสิบวันก็ก็ไม่มกนะแต่ว่าเอาแค่สีวันก็พอทำแค่สี่วันเท่านั้นเองสี่วันถ พอำรงสุขภาพตามความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการแค่นี้พอและสุขภาพพอไแค่กินแค่เทียงเออพอดัองเอาแค่นี้นะลองทีงหลังที่ยไม่ต้องกินไม่ต้องตามใจอีกเราจะอยู่ดีมีความสุขได้ไหแล้วก็เคยว่าเราทำร่างดูการเล่นบอนเทิงรดวันเว้นสักครั้งทีอยู่ดีโดยไม่ต้องขึ้นตัสิ่งก่อนั้นได้แต่ที่นอนที่นอนฟูฟูหูราเคยนอนแล้วจริงจะแสสุขเราแปดวันทีหงลองนอนพื้นอ น, น, นอนตะดานนอนเสื่ออู่ได้ไพอจะมีความสุขได้ไหมเอาทีนีวันโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้จะรักษา มีลักษณะการที่จะเริ่มมีความรู้สึกที่พูดกับตัวเองได้ในการเกี่ยวพ้องกับวัตถุสิ่งเสษบรุงความสุขแต่ก่อนีมีวัตถุบรุงบำเรอต้องมีมันจึงจะอยู่ได้ไม่ม <ao> ีเราอยู me, right? ่ไม่ได้ต่อมาพอเรับกตัวเองดีขึ้นเราสามารถพูดกับตัวเองว่าเออสิ่งเศษบารุงบาเรอความสุขเหล่านั้นสิ่งฟุ้งเฟมีก็ได้อ้ามีก็ดีมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้หมายความว่าไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้ามีก็ดีเหมือนกันถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเปลี่ยนขึ้นเพราะว่าคนบางคนนี่สิ่งเสษฟุ้งเฟือเยู่านั แันจะมีความทุกข์แสสาหาัสนะถ้าหาว่าเป็นอย่างที่ว่านี้นะถ้าต้องมีจึงอยู่ได้ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้แสดงความนั้นสูญเสีอสภาพแล้วนีถ้าคนที่ยังมีอิสรภาพก็จะพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะเอาล้วนะนีถ้าหากว่าพูดอย่างนี้แสดงว่ายังมีอิสรภาพอยู่นแะแต่ยังเก่งแสด ง, งว่าไปไหนมั น, มนดูในโลกนี้โลกไม่ได้ตามใจเราจะหล่ลอเป็นลาฉะนั้นเราจะต้องรักอิสระภาพนี้ไว้นะให้พูดกับตัวเองได้ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ทีนีต่อไปเก่งขึ้นมาวัตถุบางอย นะบอกว่ามีก็ไดนะ้มีก็เราใช้มแต่ไม่มีก็ดีกันนะเราก็สบายนี่แสดงว่าอิสรภาพมากขึ้นคนที่มีสภาพมากอย่างนี้เขาจะมีโอกาสในการพัฒนาสู่ความสุงที่สูขไไงขึ้นไปได้ง่ายขึ้นแล้วเขาจะสามารถใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ด้านอื่นในการพัฒนาชีวิตสร้างสรร์สิ่งที่เป็นประโยช น, น, น์ีคนที่ชีวิตคืออกวถกเกินไปสูญเสียอิสรภาพความสูงตองคืออถูกคนี้แย่แล้วนะตัวเองนี่ต้องเอาเวลานแลความคิดมาระดมการหาสิ่งเสร็จเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นเกินขอบตก็ทุจริตแล้ว่า สามารถรักษาสภาพในทางความสุขที่เรว่าถูกใจได้นี่ก็มีข้อดีเพิ่มขึ้นก็คือการที่มีเวลารงงานและความคิดในการที่มาพัฒนาชีวิตและสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมากขึ้นแล้วก็จะมีการเปลียนแปในสังคมน้อยลงเพราะเราไม่จะเป็นจะต้องไปเชีวหาเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขการเสพทรัพยากรธรรมชาติตอนน้อยลงนี่แหละนะความสุขข้นที่1นนี่ยังไม่ที่เขาจะผ่านขั้นที่1ทีนี้นเราลองดูว่เาเาเราจะมีทางพัฒนาไปสู่ความสุขที่ดีขึ้นยงไรต่อมาเราก็มีหลักปฏิบัติขึ้นมาเพื่อ ความสุขที่จะมาได้อย่างไรก็ลองดูพระพุทธเจ้าจ ส, สอนว่อย่างไรพระพุทธเจ้านี่ ส, สอนหลักทำตามธรรมชาติของมนุษย์ตามวามเจริงที่มนุษย์อยู่ในโลกเมื่อกี้้บอกแล้วว่ามนุษย์ก็อยู่ในโลกไปก็สงสัยหาวัตถุมเสเบื้องต้นความสุขขั้นแรกเขาอยู่ที่วัตถุที่ต่างคนต่างหาต่างคนก็คิด จ, จะได้ใช่หมการเกี่ยวข้องมักับวัตถุของค น, น, นในโลกนี้จะเป็นเรื่องการได้การเอาแค่นั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักทำขั้นแรกมาเพื่อให้เรามาสึกตัวเองก็มาสร้างดูในภาพในเรื่องนี้คือว่าเราเกี่ยว แล้วก็ไม่ได้รับความสุขแล้วตัวเองก็ไม่พัฒนานด้วยอันนี้ถ้าหากเราทำชีวิตให้มีดุลยภาพมากขึ้นก็อย่าอย่าเอาแต่จะได้จะเอาอย่างเดียวสิ่งที่คู่กันในการปฏิบัติต่วตัวตถุที่คู่กันได้ัะเอาคื่ออะไรคือให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุต้องมีให้ด้วยจึงจะมีดุลยภาพเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เอาแต่ได้และเอ า, เอาอได้อย่างเดียวหรือเอาอย่างเดียวต้องมีการให้ด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมข้อแรกคือทานใช่ไหมหลักธรรมที่พระุ้ทธศาสนานสอ น, อนข้อที่หนึ่ ในวันาท้าวชาพุธนีก็จะมีการฝึดเดกเป็นทังเาเป็นชีวิตประจำวันเลยมีการให้ ต, ตื่นเช้ า, าก็มีการตักบาดรก็อะไรบ้างนะืให้รู้จักให้ ก, กันชีวิตที่มีการให้นี่มันจะเป็นต้นทางในแง่ภายนอกก็คือสังคมสังคมจะเริ่มร่วมเย็นเป็นสุขขึ้นนะในเมื่อมนุษย์รู้จักให้กับการเกืก้อกูลต่อกันและคนที่ได้โอกาสได้ความสามารถขาดแคลนก็จะมีการดรงชีวิตอยู่ซึ่งจะช่วยสังคมไปเองให้ไม่เดือดร้อนเกินไปและไม่ต้องมีเดือดร้อนซึ่งกันและกันและได้สังคมแต่ทีนี้พร้อมก พรเกิดพาตั้งใจให้สภาพจิตมันจะเปลี่ยนนะขอให้นึกดูว่าสองคนนะคนหนึ่งหรือคนเดียวกันได้ต่างวาระกันพราะตอนที่ทิ่จะได้จะเอาเวลาเราที่จะได้จะเอาเนี่ยเราก็มองไปที่วัตถุใช่ไหมมองไปที่สิ่งที่จะได้จะเอาผมว่าจะเอาเรามองไปที่วัตถุจะได้จะเอาพอว่ามองไปที่วัตถุจะได้จะเอานี่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองเลยความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดมาเองเกิดมาเองคืออะไรคือราแวงเพราะว่ามนุษย์มันมีความรู้สึกตัวจะเป็นสัญชาตญาณกได้เพราะคนอื่นเขาอยากได้เหมือนกันใช่ไหมเราคะแไม่นี่ เรารู้สึกว่นะเา เ, เ, เป็นคู่แข่งเราเริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งคนที่ได้จะเอาเนี่ยจะมีลักษณะจิตใจที่โ น, น้มเอียงไปในการมองเพื่อมนมนุษย์เป็นคู่แข่งและเป็นปฏิบัติ์คู่แข่งก็เป็นปฏิบัตินั่นเองงั้นถ้าทีต้องการมองเป็นคู่แข่งไม่ดีเลยก็คือเป็นศัตรูประเภทหนึ่งมนุษย์จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อมนมนุษย์ในสังคมที่มนุษย์มุ่งแจะได้จะเอาเนี่ยลักษณะจิตที่จะเกิดขึ้นมาสภาพจิตที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งไปหมดในระบบแข่งขันก็มาเต็มที่เลยใช่ แล่อกับการมองมนุษย์เป็นคู่แข่งเขาจะมองเป็นไรเขาหาเก่งหาเก่งขึ้นเขาจะมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะเยวนี้คนจนวนมากมองไนเป็นเหยื่อนะมองเพื่อนมนุษย์เนี่ยใใครว่าเรามุ่งจะหาเงินหาทองหาผลประโยชน์จากเขาเท่านั้นเลยเราไปซ้อคาเงิท น, น, นมนุษย์เพื่อเอาอะไรจากเขาเราจึงมองเขาเป็นเหยื่อมนุษย์ในยุคนี้มีความโน้อยงนี้มากขึ้นนะเป็นอันว่าจาลักษณะจิตที่มองในการจะได้จะเอาเนี่ยก็จะมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งเป็นปฏิบักษตลอดจนกระทั่งเป็นเหื่อและเราชี้รามองคมนี่ พอมองไปที่คนนี่เราจะรู้จักดูหน้าตาเขาแหละแล้วก็มองที่ความต้องการของเขาพอเราเอาเป็นสาหน้าตาของเขาเราจะเริ่มเข้าใจผิวมนุษย์เห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาเห็นความต้องการของเขาพอซึมทราบเข้าใจในสุขทุกข์ของเขาเราเริ่มเห็นใจพอเรามีความเห็นใจคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วความเมตตารุณธความเป็นมิตรและความสงสารอยากช่วยเหลือเกิดขึ้นแล้พอเห็นเขาทุกข์แล้วเห็นใจอยากช่วยเหลืออยากให้เขาเป็นสุขคนจะทุกข์นั้นเราก็หาทางว่าทำอย่างไงจะให้เขาหายทุกข์แต่เมื่อกี้เราได้สุดทางอยู่แล้วในการให้เป็นการช่วยทข นี <screws> <ground> ่เราอยากจะให้เขาเป็นสุขทุกอยู่แล้วการให้มันก็กลายเป็นการสนองความต้องการของเราไปเลยใช่ที่จริงเขาได้ต้องการว่เขาดแนครับต้องการวัตถุเสร็จนจะได้มีความสุขแต่ฝ่ายตัวเราเราก็มีความต้องการเหมือนกันแต่่อนนี้เราต้องการของนั้นความต้องการนี้ขัดกันแต่ตอนนี้เรามามองดูคนเราเกิดเห็นใจคนเราต้องการทาให้เขาเป็นสุขเราต้องการทาให้เขาเป็นหายทุกการให้ของเรากลายเป็นการสนองความต้องการตัวเราเองใช่ไหมพอสนองความต้องการเขาตัวเราเองการให้แก่เขากลายเป็นทำให้เราสุขด้วยกลาย็นว่าการให้สนองความต้องการของทั ความสุขที่ต้องแย่งกันถ้าเราได้เขาเสียถ้าเขาได้เราอดใช่ไหมเพราะนั้นไฟหนึ่งสู้ไฟหนึ่งทุกตอนนี้พอพัฒนามาถึงการให้เราสามารถทำให้เกิดความสุขชนิดใหม่ที่เป็นความสุขด้วยกันทั้งสฝ่ายเราก็สุขเขาปรสุเป็ความสุขแบบประสานรวมพลืนรวมประสบสุขด้กันและความสุขของทั้งสองฝ่ายขึ้นต่อกันความสุขของเราขึ้นต่อความสุขของเขาใช่ไหมความสุขของเขาก็อาศัยความสุขของเราด้วยก็เลยดีสุขด้วยกันได้ไ้ว่าชีวิตเขาตัวเองก็ดีด้วยมีความสุขเพราะฉะนั้นโลกสังคมนี้ก็อยู่ร่วมกเย็นไเเเปป็นนมมสุขี่่่ลพิ ไอ้การได้ความสุขเรายังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเพิ่มท่องทางที่จะมีความสุขอีกแลวถือว่าเราสามารถที่จะมีความสุขจากการให้ด้วยอ้าแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีท่องทางที่มีความสุขเพิ่มเป็นท่าที่2องคือการให้กลายเป็นความสุขแต่ต้องมีสภาพจิตมารับคือต้องมีสภาพจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดีความเห็นใจอันนี้ขึ้นมาด้วยนะนั้นฝึกด้วยพฤติกรรมือทานที่ให้เนี่ยถ้าเราทำใจถูกต้องเนี่ยเราจะได้ความสุขด้วยนะถ้าใครปฏิบัติให้ทานไปแล้วไม่เกิดความสุขแสดงว่าปฏิ แล้วมาจากตัวนำพฤติกรรมไอ้นับจิตใจมันสร้างคุณธรรมเลยพอเราให้ถูกต้องนมันสร้างคุณธรรมในใจเะนกบเจ้าจริงเอาทานมาเป็นตัวนำในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้ละเอียดลมีความสุขขึ้นทีความสุจาการให้นี่ดีกว่าความสุขจากการได้อย่างที่ว่าความสุขากการได้คอการเสรวัตถุมันไม่ความสุขเฉพาะตอนเสร็้มีความหวัดระแวงมีความสุขที่มันคล้ายๆว่าแคบแล้วคุณหัวเศร้าหมองทีนี้พอสุขจากการให้นี่เป็นความสุขที่เอิบอิ่มใจเป็นความสุขที่จิตใจขยายแล้วอิ่มไปนานนะความ มีความสุขเพิ่มขึ้นจากมนุษย์อื่นนตาเป็นพ่อแม่ในปฏิบัติได้ถูกต้องนี่เป็นคนที่พัฒนาไปในตัวธรรมชาติช่วยมาท่านหนึ่งก็ถือว่าพ่อแม่เนี่เป็นบุคคลแรกที่สามารถมีความสุขได้จากการให้เพราะมนุษย์โดยทั่วไปนี้จะมีความสุขจากการได้การเอที่ว่าพอมาเริ่มเป็นพ่อแม่ก็จะมีอันหนึ่งขึ้นมาก็คือความรักลูกใช่และจาตัวความรักในใจเนี่ยมันแปลเปลี่ยนให้การให้กลายเป็นความสุขเราบอกว่าพ่อแม่ให้แก่ลูกอ่าแล้วให้แล้วมีความสุขใช่ไหมทำไมถึงมีความสุขไม่ใช เป็นบุคคลที่สามารถมีความสุขในการให้เม่ให้กับลูกก็มีความสุขได้นะธรรมดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ต้องได้ต้องเอาพอได้วัตถุมาเนะก็มีความสุขพอต้องให้ก็เสียรู้สึกว่าต้องเสียไปเสียไปก็สูญใจก็เป็นทุกข์แต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้สึกสใจเลยใครรู้สึกสใจม่ให้แต่ลูกนะที่ีก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนใช่นั้นก็มีความสุขนการให้แต่ลูกนี่พอให้ไปแล้วก็ยิ่งสุขใจเลยในเมื่อที่สุขกับที่ตัวเองได้ใช่ไหมแต่พอลูกเป็นสุขแล้ เนนพระาะจิตใจถสอนไปในก ร, รณีเมตตาสดสนให้พัฒนาจิตใจยิกระทั่งรักพืนมนุษย์ยิงกทพอแม่รักลูกนะเพราะเมื่อพ่อแม่รักลูกนี่มันก็จะมีความสุขจากการให้ได้ตลอดเวลานั้นตกลงว่ามีความสุขประเภทที่สองนี่คือความสุขจากคุณธรรมที่พัฒนาจิตใจให้มีเมตตามความรักความปรารถนาดีอันนี้ความสุขนี้ก็จิตใจตัวเองก็มีความสุขสบายดีกับชีวิตของตัวเองด้วยและดีต่อโลกตสังคมเพราะว่ามันเป็นความสุขจากการให้นี่มันกะช่วยเหลือเกิดความสุขต่อการโลกก็ดีน้อมเย็นเป็นสุข น, นั้นก พัฒนาจิตใจขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วนะมันจะได้ความรู้สึกที่พร้อมจะให้และการให้จะเป็นสุขเช่นว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาอะไรนะแล้วไปให้อะสุขจากศรัทธานั่นเลยมีความสุขจากการให้เดกเหมือนกันแต่ส อ, สอตัวนี้ไปเป็นมันตกกันคือเมตตาความรักความปรารถนาดีก็อยากให้คนมนุษย์เป็นสุขทีนี้ศรัทธาก็เห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งนั้นเช่เห็นประโยชน์ของศาสนาแต่เห็นไกลกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตั ว, วตัวไม่ตได้มันผาดฟ้ากันศรัทธาที่มาไกลก ว, ว่ า, าน เพื่อจะให้ธรรมะให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์วงกว้างขวางมนุษย์ปฏิบัติตามทางวัฒนธรรมในุ่มเลือยก็จะทำให้มนุษย์อยู่กันร่มนเป็นสุขนั้นเราก็บำรุงศาสนาเพื่อจะได้ให้สังคมนี้ร่วมกันเป็นสุขจากการที่เรามีศรัทธาถวายกับศาสนาก็หวังว่ามันจะไปถึงประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์สังคมในระยะยาวนั้นก็ไปลงที่อันนั้นเหมือนกันคือเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ศรัทธาก็เกิดขึ้นเราก็ให้ศรัทธาก็เปิดความสุขจากศรัทธานั้นหรือมั่นจในความดี อันนี้ก็พร้อมรุทใช้พร้อมให้วัตถุมีความสุงแลท้ทีนี้ยิ่งความสุ ข, ของเขาไม่ขึ้นต่อวัตถุเขารักษาความสามารถที่จะมีความสุงไ้ได้อย่างที่ว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดียอะไรงี้นะความสู ข, ขึ้นต่อวัตถุน้อยแต่ตัวเองมีความสามารถหาวัตถุมัเส็จมากก็ พ, พร้อมที่จะให้อยู่แล้วนะเพราะว่าวัตถุที่ได้มาโดยความสามารถในการแสวงหาเนียมันกินจเป็น ไม่เหมือนคนที่หมดอิสรภาพในการที่จะมีความสุขขึ้นวัตถุพวกนั้นได้มาเท่าไรมันก็สุขเท่าเดิมนั้นก็ไม่สามารถเอาวัตถุมาเผื่อแผ่คนอื่นทีนี้พอเขามีความสามารถที่จะมีความสุขวัตถุที่ได้มาในความสามารถในการสวหานั้นมันเกิดจำเป็นเกิดโอาที่จะทให้ตัวเป็นสุขเขาก็พร้อมที่จะให้กับคนอื่นและแถมเขาพัฒนาจิตใจให้มีความสุขในการให้ด้วยสองอันนี้มาบรรจบกันทให้เขาพร้อมที่จะให้เต็มที่ในความที่อยู่ในระดับนี้อย่างโสดาันเนี่ยจะมีความสุขจากการให้เต็มเต็มที่เลยะ่ จากตระกูลที่พระนัสงท่าส ม, มติแต่งตั้งให้เป็นโสดาวันคือคุณธรรมในใจนี้มองไม่เห็นแต่ว่าในตระกูลใดที่เป็นคนที่มีความดีดในการบริจาคชอบให้อยู่เสมอนี้ท่านระวังว่าเดี๋ยวจะไปลกคุณให้เขาต้องแยกจนลงท่านก็ประุมกตั้งตระกูลนี้ครอบครัวนี้เป็นโสดาันนะมีวินยัยอนุญาตไว้พอตั้งปั๊บนี่ห้ามาไปขอเลยพระองคไหนไปขอ่นองนั้นมีความผิดแต่พระนี่นห้ามขออยู่แล้วเองต้องลุยไนของพระใจเขามนนานิดหนึ่งพระนีกขอไม่ได้น่นเองที่ปฏิสบาดนี่ขอโดยอาการ แต่ถ้าไปออกปากขอเมื่อไรผิดวินัยเป็นนิชชาชีเลยนั้นเลยท่านเรียกวินัยท่านเรียกว่าเป็นนชาชีมีวินัยข้อหนึ่ง ว, ว่าอไว้ว่าพิสุออกปากขออาหารมาเพื่อตอนเองฉันเป็นอาบัติปาจิตติเว้นแต่อาพาธยกเป็นอาพาธเ็บป่ยนั้นทางนี้ขออะไรออกปากก็ได้นั้นแหละโดยวินัยนั้นญาติโยมต้องรู้ญาติโยมสมัยก่อนนีรู้วินัยก็เลยทำให้รักษาพระศาสาศนาไปได้เวลานี้ไม่เขารู้วินัยนี่้องเลยมีพระปฏิบัติร้ปฏิบัขอก็ทำให้เสียไปหมดเลยพระนี่ท่านห้ามว่าวิริยหลกอันหน ไม่ทําให้ดอกไม้ชอบช้าท่านติดและสีฉันใดนะว่าพิสูจที่ประพฤติชอบเที่ยวไปในหมู่ชาวบ้านก็ประพฤติตนฉันนั้นไม่ทํานว่าไงนะชาวบ้านเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรมีจิตใจคุณธรรมสัตยทางอย่างไรพรานี่ไปสัมผัสแล้วต้องไม่ให้เสียท่านติดและสีใชสีก็ความเป็นอยู่นะตัานะเรื่องของเงินทองเขาต้อไม่รบ ก, กวนไม่เขาเสียหายแล้วก็เป็นก็หมายถึงว่าคุณธรรมความดีสัตยทางเขาก็ต้องไม่รบ ก, กวนไม่ทําให้เสียแต่ว่าแรงเครื่งนี้ไปตอมดอกไม้ แทนที่จะทำให้เกิดผลเสียทำให้เกิดผลดีด้วยใช่หทำให้ดอกไม้จเจริญอกน้ำที่ขึ้นแพร่พันธุ์แผ่ใหไปี่ดที่ปฏิบัติชอบนอกจากไปทาให้สุตุชาวบ้านชอบทแล้วยังทำให้เขาจเจริญนอกน้ำขึ้นด้วย น, น, นี่เป็นหลักของเจ้าเจ้ราระวางังว่าพระเนี่ยท่านไม่ให้รวรชาบ้าอันขาดมีวินัยแล้ยอะแยะเลยห้ามพระขอถ้าเอาปากขอชาวบานปั๊บเป็นมิจาชีพท่านใช้คำงาลยแ้วไปอัปนบ้านเดี๋ยวกลับมาทีนี้ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าทางที่จะหาความสุขนี้เพิ่ วิีต่อไปความสุขประเภทต่อไปทำยังไงคนเรานี่มีอันหนึง่งคือว่าเราจำเลทิศไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยโลกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราสร้างขึ้นนะโลกมนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นมารุงแต่งขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นม า, ปนมา ไ, ปไปโลกมนุษย์เนี่ยก็แยกขึ้นมาเป็นอีกโลกนึงต่างหากจากโลกของธรรมชาติโลกที่แท้มันไอยู่ในโลกของธรรมชาติแต่เดิมเลยมนุษย์เราเกิดมาก็เกิดมาในโลกของธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์นีมีอายะธรรมสร้างสรรค์ความเจริญขึ้นมามีเทคโนโลยีต เป็นโลกของมนุษย์ที่ต่างหากจาโลกธรรมชาติเลยแล้วคนบางคนนี่ก็เลยมีชีวิตที่เรียกว่าแตกแยกจากธรรมชาติแตกแยกจากธรรมชาติทั้งชีวิตความเป็นอยู่พฤติกรรมและทางจิตใจทั้งปัญญาด้วยความรู้ก็รู้ไม่ถึงธรรมชาติรู้อยู่แค่โลกมนุษย์รู้แค่เรื่องของสิ่งที่มนุษย์รุปแต่งเทคโนโลยีวันวนบางคนนี่ออกจาบ้านไปทางานกับไปทางานมาบ้านไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดาวไม่เคยตั้งใจดูดาวไม่เคยดูพระอาทิตย์ขจัญเลยเป็นไปได้ไม่มีไหมไม่มีใช่ไหมอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างเดียวเลยโลกมนุษย์เลยบังโลก สมมติว่าถือสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันเอานะสมมติไม่ใช่ของหลอกของเลีไหลนะ้ำใจก่อนสมมติแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ตกลงกันว่าอย่างนั้นตกลงว่ากันว่าอย่างนั้นแปลมาจากคาษามติมติแปลว่าการยอมรับหรือครอบตกลงและสร้างร่วมกันสมมติมนุษย์ตกลงกันว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเราจะเรียกกันนี้ว่านายกรคนที่คุณขอหรือเรียกกันนันเป็นอันนี้นะแม้แต่ขอภัยพระพุทธรูปนี่เราก็สมมติใช่สมมติเรามนุษย์สร้างสารขึ้นมาแล้วก็วางเ่างัน เราก็ถือว่เป็นกฎสมมติอย่างนี้โลกมนุษย์ก็เป็นโลกของสมมติซึ่งซ้อนที่มาเนโลธรรมชาติทีนี้แม้แต่กฎเกณฑ์ในหมู่มนุษย์ก็กลายเป็นกฎสมมติด้วยตอนนี้จะมาก็จะยกตัวอย่างอันเก่าที่พูดบ่อยเใจง่ายมาให้ดูว่ามนุษย์ในเราแม้แต่สร้างกฎสมมติขึ้นมาเป็นกฎของมนุษย์ซ้อนอยู่บนกฎธรรมชาติและทําไมระวังนี่เราจะหลงสมมติแล้วก็ติดอยู่แค่กฎสมมติไม่ถึงธรรมชาติถ้าชีวิตไม่ถึงธรรมชาติเมื่อไหร่เป็นปัญหาสันติเป็นปัญหาที่เล่นความดุความ อันนี้เป็นกฎของม น, นุษย์ตามที่มเช่นว่าจ้างคนมาทสวนบอกว่าคุณมาทาสวนหนึ่งเดือนและวฉานให้เงินเดือนหาพันบาทใช่ไการทาสวนเป็นเหตุเงินเดือนหาพันบาทเป็นผล <S <s เป็นจริงใช่ไหจริงนะเพราะว่าเงินห้าพันบาทจะได้ก็เป็นผลจากการทาสวนหนงเดือนนี่เป็นเหตุ <S <s เป็นผลจริงเราก็ใช้กฎในหมู่มนุษย์อันนี้เยเลยกฎมนุษย์มัสร้างขึนกาในกฎนี้ไม่มในธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่มีในธรรมชาติแล้วถามว่ามันเป็นจริงแท้แ ห, หรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าจริงดูมาเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าจริงแท้ไหมถามว่าการทำสวน แน่ป่ะแน่แต่ว่าแน่โดยสมมติไงนแน่โดยสมมติเนอคือแน่โดยสมมติสมมติปว่าการตกลงร่วมกันอ ย, ยอมรับร่วมกันใช่ห ม, หมามพาดมัดจริงโดยการตกลงร่วมกันยอมรับร่วมกันด้วยนะถ้าไม่ยอมรับจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาจริงน่อยจริงพอยอมรับร่วมกันถ้าไม่ยอมรับเมื่อไหร่หมดความหมายเลยตกลไม่เป็นกงใช่ไหมทส่วนดือนเดือนไอ้ไฟให้เงินไม่ยอมรับะเงินเดือนห้าพบาทเป็นหว่าใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าหนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเจอเสนอหาที่เอาใจขึ้นมาให้เง เหตุทำไปได้ไม่เกิดผลได้ผลโดยไม่ต้องทาเหตุก็มีใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นต่อการยอมรับรวมกันนะฮะเพราะนั้นการยอมรับรวมกันนี้ท่านสมมตินักดกองสุดยอดคนของมนุษย์นี่ขึ้นสมมตินั่นตึงเป็นจริงโดยสมมติท่านเรียกไสัจจะแล้ความจริงท่านไม่ปฏิเสธแต่เป็นจริงโดยสมมติท่าสมมติติสัจจะและเราจะต้องรู้ท่าทันอันนี้การรู้เท่าทันสมมตินี่ก็เพื่อเราจะต้องเข้าถึงความจริงที่ซ้อนอยู่ในธรรมชาติการที่เราวางกฎของมนุษย์ขึ้นมาเป็นสมมติว่าทาสวนเดือนเดือนได้เา ภายใต้กฎธรรมนที่สมรกันคือยอมรับตกลงร่วมกันว่าทสวนเดือนได้เงินเดือนาพบาทนันมันมีกฎธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรอยู่และถ้าเป็นกฎธรรมชาติจะเป็นกฎที่แท้จริงเป็นผลเป็นผที่แท้จริงด้วยการทสวนเป็นเหตุอะไรเป็นผลแน่โดยธรรมชาติต้นไม้งอกงามใช่ไหมการทาสวนเป็นเหตุความเริงอกงามของต้นไม้เป็นผลถูกไหถูกอันนี้เป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมชาติใช่ตัดีเสร็จได้หม อันนี้แน่นอนถ้าคุณต้องการผลคุณต้องทำเหตุใช่ไหมแล้เหตุทำให้เกิดผอันนี้เหตุผลธรรมชาติที่เ็กธรรมชาติจริงเสียไม่ไดไ้ต้องคืสมมติคือไม่ต้องนกับการยอมรับร่วมกันทุกนใช่ไอ่านี่ตายกันเลยใชย่เป็นอันว่ามันมีกฎธรรมชาติซ้อนอยู่ซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนในธรรมชาติว่าการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลนะนะคุณทำเหตุตั้ใจรดต้นไม้ทำสวนได้ดีต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามที่คุณต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามคุณต้อง าต้องการที่แท่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติใช่ไหมคือต้องการความดยงอกงานของต้นไม้เพื่อจะให้มีผลตามกฎธรรมชาติเราจึงตั้งกฎมนุษย์้อนขึ้นมาเพื่อให้บานระบบสังคมให้มาสอดคล้องให้ผลที่ต้องการได้แท้คือผลตามกฎธรรมชาตินี่แหละคือการที่ว่าจะรู้ทันความจริงของธรรมชาติรู้ทันสมมติหรือไมู่ในโลกมนุษย์รเท่าทันสมมติ่ที่แท้จริงสมมติขึ้นมาเนี่ยเราต้องการความจริงที่แท้ซอนอยู่ทีียถ้าเรายังไม่ลืมผลที่ต้องการตามธรรมชาติเรายังไม่พแต่ถ้าเราเกิดมาติดลงสมมติอยู่แท้กฎมนุษย ทำสว น, นเดือนได้เงินเดือนบาทและเราไม่ได้คำนึงถึงกฎธรรมชาติไม่คำนึงถึงคามเจริญ ง, งอกงามของต้นไม้เลยอะไรจะเกิดขึ้นวิตติลิแล้วใช่เริ่มแปรเปลวยนเลยสังคมมนุษย์เริม่มบุนแรงยุ่งยากเลยเพราะว่าคนจะมามองแค่ว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนบาทสิ่งที่ต้องการคือเงินเดือนบาทใช่มและไม่มองเลยความเจริญงอกงามของต้นไม้ตอนนี้มนุษย์เองก็ไ้ขัดแย้งกันแล้วก็ทาให้ทศธวิตติทที่ต้องการที่ว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้ก็ม่เกิดขึ้นแล ะ, ะใใต้อง เขาไม่รู้เท่าทันสมมติปิดเขาไม่ถึงความจริงที่แท้ว่าเราต้องสิ่งที่ต้องการที่แท้คือความจรินนงในการาของต้นไม้เขาไม่นึกถึงอันนี้นะเขาลืมแล้วเขาระเลยหลงลืมความจริงกธรรมชาติเขาหลงติดอยู่แค่สมมติชีวิตของเขที่หลงสมมติจะเป็นอย่างไรเขาต้องการเงินเดือนห้าพับาทเท่านั้นการทาสวนจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการทาเพราะว่าการทาสวนนี่ที่จริงเขาต้องการเงิน5้าพับาทการทสาสวนมันทำให้เขาต้องรอไม่กว่าจะได้เงิน5้าพบาทต้อรอตังเดือนแล้วต้องตามใจทำตอนนี้ผมที่เกิดขึ้นในจิตใจคืออะไรคือความจำใจความ เพราะฉะนั้นเขาจะทำด้ความรู้สึกที่ว่าไม่เต็มใจไม่ตั้งใจจิตใจก็เป็นทุกข์่ไม่ตั้งใจทาก็ทำไม่ได้ผลดีหาทางีกเลี่องถ้าเขาได้เงินห้าพันบาทโดยไม่ต้องทำสวนเขาเอาทันทีใช่ไหมเขาเรียกทันทีเขจะเรียกงนแ้นคนที่มีจิตใจหลงสมมติอย่างรุนแรงกลั้นไม่ไหวอดไม่ไหวก็จะทุจริตเลยใช่ไหมรอไม่ไหวแล้วทำงานทำสวนหนเดือนได้หมมานทรมานเต็มที่ทหารก็ได้ทองต้รีบไปเอาเงินห้าพันบาทดีไม่ดีได้หมื่นบาทก็จะทำดีกว่าไม่ได้ก็เลยไม่ได้ความจิตใจเป็นทุก ถ้าว่าคนทำสวนมีใจรักพาเจริญงอกงามของต้นไม้ทำสวนด้วยใจรักต้องการพาเจริญงอกงาของต้นไม้คือต้องการผลตากธรรมชาติอันนี้จะสอดคล้องกลกลืนใช่มพอสอ้องกลมกลืนแล้วงานก็ได้ผลใช่มเขาตั้งใจทำคนก็สบายใจทำด้วยความดีเพราะว่าเขาอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงานมันบังคับนตัวต้องไปตั้งใจดูแลแล้วมันจะทาให้เขาทํงานได้ผลจริงเลยนะองคนสวนคนไหนรักต้นไม้สิอยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามเนี่ยคนจ้งไไม่ต้องไปจำดีจำชัยไม่ต้องไปคุมอ่ะนเขาตั้งใจทำโอ้บางทีดีกวเราไปคอยบอกอี งานผลแล่วแต่ที่จริงทานก็อจิตใจขามีความสุขเพราะว่าเวลาก็ทนั้นการกระททุกครั้งของเขานั้นคือการทำให้ผมที่ต้องการเกิดขึ้นเขาก็คอยดูคเห็นต้นไม้ต้นนี้งามเขาก็ใจสบายเขาก็ดีใจมีความสุขในการทางานด้วยนั้นชีวิตที่ดำเนินไปยังถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติแม้มีสมมติเกิดขึ้นตัวให้รู้เท่าทันตามเป็นจริงไม่หลงสมมติชีวิตที่ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับความรธรรมชาติทาเหตุเพื่อต้องการผลที่แท้ตามธรรมชาตินั้นก็จะเป็นชีวิตที่ได้ความสุข แล้เราจะต้องสร้างอันนี้ให้ได้คือสร้างฉันท่าในงานความรักประโยชน์ที่เกิดจากตัวงานที่เป็นเหตุแท้ถ้าอันนี้เกิดขึ้นก็เป็นผลตามธรรมชาติแลเราจะทางานได้ความเป็นสุขและชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นสุขด้วยเพราะว่าบอกได้ว่าการทำงานหาเลี้ยงชีพนั้นเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราทุกแต่เจ้าท่านใช้คำว่ากรรมหือการงานถือว่ากรรมขางผู้ส่วนใหญ่อยู่ที่การทำงานหาเลี้ยงชีพนั่นก็ทำทำอันนี้ให้ได้ดังนั้นชีวิตของคนจำนวนมากมีทุกเพราะว่าไม่สามารถมีความสุขในการทำงานและงานเป็นตัวอย่างชีวิตเขาก็ หรือต้องการขนมที่เปรางวัลล่อแล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งกวาดบ้านเพราะอยากได้ความสะอาดเด็กรักความสะอาดรักกวาดบ้านคอ้คิดดูว่าเด็กสองคนนี้ต่างกันอย่างไรเด็กที่กวาดบ้านดกต้องการขนมต้องการรางวัลเงินตอบแทนก็จะมีหนึ่งก็คือว่าไม่มีความสุขในการกวาดบ้านใช่ไหมต้องมจำใจทำสองไม่ตั้งใจทาหาทางหลีกเลี่ยงคนที่ให้รางวัลคอยคุมดูอยู่ไม่งั้นแกเรียนก็ทำแกไปบอกก็ทำแล้วแล้วก็ไปเอาสตังค์ใช่ไหมทีนี้ขาเด็กคนไหนชอบความสะอาดรักความสะอาด เด็กคนนั้นจะตั้งต่กวาดบ้านเองโดยไม่ต้องปบอกไม่ต้องเปตามที่เจบกครับแลเด็กก็จะมีความสุขในการกวาดบ้านด้วยใช่ไหมนั่นเราจะต้องทำให้คนนี้มีฐานะให้ไดนะ้ก็คือจะต้องให้เขารักผมที่กัวตาเหตรของมันที่เป็นตุปัจจัยนกรธรรมชาตินะแล้วคนเราที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะถ้าเราดเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติยังมีทวีตสอดคล้องความรู้มีปัญญาตามเป็นจริงงั้นไม่ลงสมมติเสียเราจะได้ความสุขในประเภทหนึ่งแต่นี่เป็นเียงตัวอย่างจะมีอีกามมาอั ด้วการยู้แทนั Vine, ้นเลยชีวิตของเรานี่ไม่ได้อยู่เพียงสัตยานสัตว์ชนิดอื่นนั้นอยู่ได้ในสัตยานเป็นยังไงล่ะสัตว์ชนิดอื่นนั้นเกิดมาปั๊บก็รู้ในสัตยานที่จะดีที่จะเดินจะกินจะหาหากินต่างเขาทไปได้วิถีอยู่รอดเช่นว่าออกจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้เลยหากินได้เลยว่าน้ำได้เลยแต่มนุษย์เรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ชีวิตอยู่ได้ด้วยการศึกษาด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้ทั้งสิ้นพอเราเกิดมาี่เรา